สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิตพระเยซตูตอนที่ห้าร้อยี่สิบหกเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สามสิบเอ็ดพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระชนะของพระเจ้าก็เริ่มต้นในข้อที่สิบห้าจนถึงข้อที่ยี่สิบสองนะครับของพระธรม ร, ทท ร, ะธรมฮีบรูบทที่เก้าพระธรรมฮีบรูบทที่เก้าข้อสิบห้าจนถึงข้อที่ยี่สิบสองนะครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้า เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมาได้รับมรดกนิรันต์ตามพระสัญญาเพราะการพรีชีวิตนั้นไถ่คนให้พ้นจากบาปอันเกิดใต้พันธสัญญาเดิมแล้วเพราะว่าในกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือพินัยกรรมก็ต้องพิสูจน์ว่าผู้ทำหนังสือนั้นตายแล้วคนนั้นต้องตายเสียก่อนหนังสือพิณัยกรรมจึงจะใช้ได้แต่ถ้าผู้ทายังมีชีวิตอยู่ พินัยกรรมนั้นก็ใช้ไม่ได้เราะฉะนั้นแม้พันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตั้งขึ้นไว้โดยปราศจากเลือดเพราะว่าเมื่อโมเสสประกาศพระบัญญัติทุก ข, ข้อแก่บรรดาประชาชนแล้วท่านก็เอาเลือดลูกโคเลือดแพะกับน้ำและเอาขนแกะสีแดงและต้นหูศกมาพระพรมหนังสือม้วนนั้นและขนทั้งปวงด้วยท่านได้กล่าวว่านี่คือเลือดแห่งพันธสัญญา ซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาวไว้แก่เจ้าทั้งหลายแล้วท่านก็เอาเลือดประพรมเต็นท์กับเครื่องใช้ทุกชนิดในพิธีน้ำมัศ ก, การนั้นเช่นเดียวกันความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือว่าเกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิตและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยทีนองครับพระคมภีตอนนี้เป็นข้อควมพีที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากนะครับแต่ถ้าเรามีพื้นฐานของ ความเข้าใจเรื่องของการถวายบูชาและการประพรมโลหิตในพันธสัญญาเดิมเช่นเดียวกับคนฮีบรู ห, หรือคนยิวในสมัยนั้นที่อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ก็จะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วครับผมจะใช้ความพยายามที่จะอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับจะเข้าใจมากเข้าใจน้อยก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตานะครับพี่น้องครับในข้อที่สิบห้านะครับพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะเหตุนี้ โรร่งจึงทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ anymore. คําว่าคนกลางนั้นไม่เพียงหมายถึงเป็นคนที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับแต่หมายถึงผู้ออกพันธสัญญาที่ถูกพูดถึงด้วยนั่นหมายความว่าครับหมายความว่าพระเยซูนั้นทรงกลายเป็นผู้ออกพันธสัญญาใหม่นะครับผู้กลางนี่มีสองความหมายก็คือเป็นผู้ที่เชื่อมระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เป็นผู้ที่อยู่ตรงกลาง นะครับอันนี้คือความหมายแรกความหมายที่สองก็คือว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ให้กําเนิดหรือผู้ที่ออกพันธสัญญานะครับที่พูดถึงก็คือพันธสัญญาใหม่นั่นเองท่านครับข้อนี้ก็สอดคล้องกับพระธรรมโรมบทที่สามข้อยี่สิบห้าได้กล่าวว่าเมื่อพระเยซูทรงเส้นพระชน์ที่ไม่เข็ญพระโลหิตอันเลิอดประเสริฐของพระองค์ถูกประพรมบนพระที่นั่งกรุณาในสวรรค์เพื่อขึ้นจักร ในสมัยพระคัมพีใหม่ที่จะมาและเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามครับพระโลหิตนี้ก็ถูกประพรมเพื่อผู้เชื่อในสมัยพระกัมพีด้วยพัมพีเดิมด้วยครับพี่น้องถามว่าทำไมต้องประพรมเพื่อผู้เชื่อในสมัยพระัมพีด้วยเดิมด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเขาในระบบปุโรหิตเดิมนั้นก็ได้ปฏิบัติตามระบบ ที่พระเจ้าพระบิดามได้ทรงตั้งขึ้นในพันธสัญญาเดิมด้วยความเชื่อฟังและด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเครื่องบูชาเลือดและการประพรมเลือดทั้งหมดในพระคัมภีร์เดิมนั้นไล่มาตั้งแต่เครื่องบูชาที่ดีกว่าของอาเบลนะครับทําให้ทําได้เพียงปก ป, ปิดความบาปของวิสุทธิชนในสมัยฟ้องพีเดิมอย่างก็ตามครับพระโลหิตที่สมบูรณ์แบบของพระเยซูซึ่งผมได้พูดมาหลายครั้งแล้วครับว่า พระโลหิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดของพระเยซูนํามาซึ่งการไถ่ากาะเมิดนะครับของคนในพันธสัญญาเดิมด้วยเหมือนกันนี่หมายความว่าความบาปที่ได้ทาไปแล้วนั้นในพระธรมโรมนั้นเพราะการถวายบูชาอันสมบูรณ์แบบของพระคริสต์พี่น้องครับถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับขอให้จับหลักไว้คือว่าคือการถวายบูชาของพระเยซูนั้นสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะฉะนั้นพระโลหิตอันเลิศประเสริฐของพระเยซูนั้นก็ เกิดนะครับและทําให้เป็นผลย้อนกลับไปถึงพระกัมภีร์เดิมด้วยพี่น้องจับหลักแค่นเนี้ยครับนะครับการที่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไงเขนพระโลหิตของพระองค์นั้นหลั่งไหลบนแมงเขนนั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นพระโลหิตหรือเลือดที่ประพรมบนแท่นบูชานะครับการสิ้นพระชนของพระเยซูนั้นก็ส่งผลถอยย้อนกลับไปอดีตนะครับย้อนกลับไปอดีตก็ทําให้การถวายบูชา ของพวกเขานะครับซึ่งไม่สมบูรณ์นั้นต่อไปนี้สมบูรณ์แบบแล้วครับเพราะฉะนั้นบรรดาผู้เชื่อนะครับผู้ที่มีความศรัทธาผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าในพมพีเดิมก็รอดหมดนะครับเพราะฉะนั้นการถวายบูชาอันสมบูรณ์แบบของพระเยซูนะครับวิสุทธิชนในสมัยพมพี์เดิมจึงได้รับมรดกนะครับอันนิรันตางพระสัญญาเพราะตอนเขาตายไปนะครับเขายังไม่ได้เห็นไหมครับ ไม่ได้แปลว่าอะไรครับไม่ได้บรดกตรงนี้นะครับจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาและทิ้งมิชชันแมงเขนนะครับบรดกนี้เขาได้รับตามพันธสัญญาเล็บลอยแล้วพี่น้องครับพันธสัญญาใหม่ไม่เพียงแต่มองไปยังอนาคตเท่านั้นแต่มองย้อนกลับไปถึงสวนเอเดนด้วยพี่น้องครับในข้อที่สิบหกถึงสิบแปดได้กล่าวนะครับว่าเพราะว่าในกรณีที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพี่นกรรมผู้ทําหนังสือนั้นก็ถึงต้องถึงแต่ความตาย เพราะว่าเมื่อคนตายแล้วหนังสือพิณิกรรมนั้นจึงจะใช้ได้มีฉะนั้นเมื่อผู้ทํายังมีชีวิตอยู่หนังสือพิณิกรรมนั้นก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นเองพันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้ตั้งขึ้นไว้โดยปาดจากเลือดนะครับผู้เขียนใช้คําว่าพันธสัญญาเดิมนะครับในความหมายก็คือเป็นหนังสือพิัยกรรมครับ พันธสัญญาก็อาจจะเปรียบเสมือนกับเป็นหนังสือพินัยกรรมและการที่หนังสือพิณัยกรรมจะมีผลบังคับใช้ผู้ทำพิณัยกรรมต้องตายใช่ไก่อนหนังสือพิณัยกรรมนั้นจึงจะมีผลตามกฎหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำอย่างนั้นครับก็คือเริ่มต้นพันธสัญญาแรกโลหิตไหลออกนะครับซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ที่แสดงถึงความตายได้ถูกประพรมเพื่อแสดงการเริ่มต้นพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอิสราเอลที่ซีนายนะครับในข้อสิบเก้าถึงยี่สบเอ็ด ได้กล่าวว่าเมื่อโมเสสประกา ศ, กศข้อบังคับทุกข้อให้กับชนชาติของพระเจ้าตามคำบัญญัติแล้วก็ยังเอาลูกวัวเอาลอเลือกลูกแพะนะครับเอาเลือดลูกวัวเลือดลูกแพะกับนะขนแกะสีแดงต้นหูสพมะประพมหนังสือม้วนครับและก็กล่าวว่านี่เป็นเลือดแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่ท่านทั้งหลายและท่านก็เอาเลือดประพมพับพาเครื่องใช้ทุกขีดในพับพานะครับเนี่ยครับคือสิ่งที่โมเสสได้กระทําครับ บันทึกอยู่ในอพยบทที่24นะครับโมเสสได้อุทิศถวายเริ่มต้นพันธัญญาที่พระเจ้าให้กับเขานะถึงตอนนี้กลายเป็นพันธัญญาเดิมแล้วนะครับโดยการประพรมเลือดในวันนั้นเห็นไหมครับชัดเจนครับว่าในสมัยโบราณนะครับกําหนดให้มีการประทับตาพนันธสัญญาฉบับหนึ่งโดยการประพรมเลือดลงบนเอกสารนั้นๆเพื่อเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความจริงจัง จิงใจของคนเหล่านั้นที่เข้าสู่ในพันธสัญญา <c oughs> ด้วยเห็นนี้ครับและพระบีพูดต่อครับว่าตามธรรมบัญญัติเกือบทุกสิ่งจะถูกชําระด้วยโลหิตและถ้าไม่มีโลหิตไหลแล้วก็ไม่มีการอภัยโท ษ, ษบาปเลยเห็นไหมครับก็คือแปลตามตรงตัวครับก็คือการชาระนี้ก็คือชาระให้สะอาดด้วยพระโลหิตนะครับด้วยโลหิตทั่ว นะครับรายละเอียดของระบบของคนเลวีในสมัยเดิมเกือบทุกอย่างในระบบนั้นได้ถูกชำระโดยโลหิตครับถือว่าบริสุทธิ์นะครับถ้าไม่มีการการไหลของโลหิตก็ไม่มีการอับไปที่ดลบาปเลยนะครับ <c oughs> ในข้อยีบสามครับซึ่งเป็นข้อที่จะเริ่มต้นสําหรับพรุ่งนี้พี่น้องครับขอให้เราเข้าใจให้ถูกต้องครับว่าการที่พระเยซูนั้นได้ส่งชิ้นมชนพระโลหิตของพระองค์นั้น ทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบนะครับทําให้เกิดความสมบูรณ์แบบของการไถ่าบาปครับนะครับการไถ่าบาปและมันก็กินถอยกลับไปนะครับก็คือรวมทั้งผู้เชื่อที่อยู่ในเพิ่มพีเดิมนะครับที่ได้ถวายบูชาเรียบร้อยแล้วไมายถึงเรื่องนั้นครับการสิ้นของสิ้นพระชนของเยซูการหลังพระโลหิตไหลออกของพระเยซูบนแมงเขนั้นก็นํามาซึ่งการไถ่าบาปนะครับของพวกเราทุกคนนะครับและ ลูกหลานของเราในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าไทาม์ไลน์นะครับหรือเส้นเวลาของการขิ้นพระชนของพระเยซูนั้นการขิ้นพระชนของพระเยซูบทแม่นเขีนั้นถือเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของไทม์ไลน์ถอยกลับไปในพัมพีเดิมนะครับแล้วก็มองไปในอนาคตเพียงครับนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายของพัมพีในฮีบรูบทที่9นี้เองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเข้าใจให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นว่าการขึ้นพระชนของพระเยซูนั้น ได้มีผลนะครับย้อนกลับไปในอดีตและไปข้างหน้าเข้าไปสู่อนาคตด้วยเช่นเดียวกันครับขอพระเจ้าไว้วพ ร, พรและขอความเข้าใจจะมาถึงที่น้องโดยการช่วยเหลือของผู้เยบริสุดครับอาเมน